เขาเขียนเคยเล่าว่าเมื่อสักย0สบกว่าปีก่อนสมัยที่ท่านอยู่ที่ท่ามาไฟหวานวันนึงก็มีภาพ ร, รูปหนึ่งนะพี่ชายพามาใหมาอยู่ปฏิบัติกับท่านผู้จะเป็นพระนี่ก็ยังเป็นหนุ่มชะกันอยู่ สีหน้าก็ดูหม่นหมองนะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เมื่อเข้ามาอยู่วัดหลวงพ่อก็แนะนำให้ปฏิบัติโดยการเดินจงกรมเขาก็ทำได้แค่วันสองวันแล้วเขาก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าจะมาขอสึกหลวงพ่อก็ แม่อนียาให้ศึกเขาก็ลบเร้าวะนี่เขามาบวชนี่ไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัตินะเขามาบวชเพราะว่าพี่ชายขอร้องอันนี้เขาก็บวชแล้วนะเขาก็จะขอศึกแล้วหลวงพ่อ ก, ก็ไม่ยอมแล้วก็ไล่เขาไปปฏิบัติต่ตอสักพักเขาก็มาอีกมาขอศึก รบเราจะศึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ยอมก็แนะนเขาไปปฏิบัติหายไปสักพักมาอีกนะคราว น, นี้รบรอจะศึกให้ได้เลยหลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรทำให้คุณมาหาผมคนนึงสักพักเราก็ตอบว่าความคิดครับ หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่ามันคิดแล้วนี้ต้องทำตามความคิดทุกอย่างเหรอถ้าคุณทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรอือให้กลับไปปฏิบัติต่อเขาก็มีสีหน้าไม่ค่อยพอใจวันรุ่งขึ้น่อยเห็นหลวงพ่อเขาก็รีบมาทันทีเลย แต่คนนี้ไม่ได้ลบเลาจะขอสึกนะแต่ว่ามามากราบท่านแล้วก็ขอบคุณท่านบอกว่าถ้าหลวงพ่อศึกให้ผมเมื่อวานเนี้ยนะผมต้องกลายเป็นฆาตกรแน่เลยพอเมื่อาวานเนี้ยนะที่ผมคิดจะศึกก็เพราะว่าอยากจะไปฆ่าคนสองคนคงจะเป็นเป็นภรรยากับชายชูวนะ ผมคิดจะฆ่าคนสองคนระหว่างที่เดินจงกรมผมก็นั่งคิดนะผมก็ผมก็คิดไปนะว่าจะหาปืนจากไหนและจะฆ่ายังไรฆ่าใสร็จแล้วจะหนีไปไหนแต่ว่าพอหลวงพ่อพูดผมก็ได้คิดขึ้นมาเขาก็เลยขอบคุณหลวงพ่อที่ทำให้เขาไม่พลั้งพลาดไป แล้วก็พบว่าเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้อีกนานทีเดียวนะบวชเป็นพระได้อีกเป็นสิบปีได้ไอ้สิ่งที่หลวงพ่อพูดกับพระหมายรูปนี้น่าน่าคิดมากทีเดียวนะถ้าคุณทําตามความคิดทุกอย่างนี้คุณไม่แย่หรือความคิดเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาในหัวของเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะดีหมดนะไอ้ที่แย่ๆก็มีเยอะแล้วถ้าคนเราเนี่ยทาตามความคิดทุกอย่างชีวิตก็คงจะวุ่นวายแล้วก็อยู่ร้อนนอนทุกข์มากเลยแต่บางครั้งคนเราก็ปล่อยใจให้หลงเชื่อความคิดใครก็ตามที่หลงเชื่อความคิดทุกอย่างนี่นะหาความสุข หาความเจริญได้ยากมากความคิดมันมีประโยชน์นะแต่ว่าที่มันไม่มีประโยชน์ที่เป็นโทษก็เยอะมากทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ทุกอย่างที่มันก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละนะเพราะปกติของใจเรานี่มันสงบมันราบเรียบ เหมือนกับ น, น้ำเนี่ยถ้าไม่มีลมพัดเนี่ยมันก็ไม่อ่าพลิ้วเป็นคลื่นที่มีคลื่นที่เป็นหรือว่าแม้แต่พลิ้วคลื่นน้อยๆหลอกๆน้อยๆมันก็เกิดจากลมแต่โดยปกติของมันแล้วเนี่ยมันเรียบจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตของเราโดยธรรมชาติก็ปกติท่านว่าจิตของเราเนี่ยประพัฒสอนแต่ที่มันเศร้ามองเพราะว่ามีเมื่อมีกิเลสมาจร กิเลสนะั่นแลเป็นตัวปรุงแต่งนะทำให้จิตเศร้าหมองคือเกิดอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ช่ว อ, อกุศลเช่นความเศร้าความโกรธความเกลียดหรือความเบือ่อมันก็ปรุงความคิดออกมาเช่นเมื่อโกรธก็อยากจะแก้แค้นพออยากจะแก้แค้นมก็คิดแล้วว่าจะแก้แค้นอย่างไรถ้าหากว่าการบวชเป็นอุปสรรคต่อการแก้แค้นก็คิดแต่ย่สึกอย่างเดียว หรือว่าถ้าเราเบื่อในการปฏิบัติมันก็ปรุงความคิดออกมาว่าจะหาทางเลิกปฏิบัติได้อย่างไรจะหาทางกลับบ้านอย่างไรดีให้มันดูสวยมันก็คิดอยู่แค่นั้นแหละความคิดซ้ำคิดซากนี้มันก็เป็นกลายเป็นอุ ป, ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น คนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ทันไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยเราก็จะลงเชื่อความคิดไปแต่พึ่พือแล้วมันก็จะพาเราไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้น เ, นเราต้องรู้จกักทักท้วงความคิดบ้างไม่ว่าความคิดที่มันดูสวยดูมีเหตุผลแค่ไหนก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันง่ายๆเพราะว่า ลมันก็สามารถที่จะปรุงแต่งหาเหตุผลที่สวยงามเพื่อให้เราปลนเปลื่อมันคล้อยตามมันคนที่ติดเหล้าติดการพ น, นันพวกนี้เนี่ยแต่ละครั้งที่เขาจะกินเหล้าแต่ละครั้งที่เขาจะเล่นพ น, นันเขาจะมีเหตุผลสวยๆทั้งนั้นอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ให้กับคนอื่นแต่ก็เป็นเหตุผลที่ให้กับตัวเอง เพราะว่าในส่วนหนึ่งก็รู้ว่ามีโทษนะเราก็มีโทษการพนันก็พาไปสู่อับายแต่ที่ใครต่อใครก็ยังหลงเป็นท่าของมันก็เพราะว่าไอตัวกิเลสเนี่ยนะมันเดียวว่าผีพนันก็ได้หรือว่าผีสุราก็ได้มันมีเหตุมีผลนะมันสร้าง ความคิดที่สวยงามนะให้ใครต่อใครเนี่ยหลงเชื่อัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปถ้าไม่รู้ทันมันนะก็เสียผู้เสียคนนะไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากอบายได้ง่ายๆแม้แต่ความคิดที่จะทำอะไรดีๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันมากหลวงพ่อชาสุพัโต ท, ท่านเล่า ว, ว่า นะบ่อยครั้งเนี่ยจะมีจะมีชาวบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมาหาท่านเพื่อที่จะขอบวชเป็นแม่ชีแล้วก็หลายคนเนี่ยพูดถึงขั้นว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่และคนมาก็จะบอกว่าเนี่ยเบื่อแล้วชีวิตครอบครัวมันมีแต่ทุกข์ ที่พู้เชนนั้นก็เพราะว่าทะเลาะกับผัวมามีเรื่องขัดแย้งกันบางทีผัวก็เมาเล่าบ้างเรื่องการพนันบ้างดุดา ว, ว่ากล่าวบ้างเมียก็ไม่ไหวและก็มาขอบวชแล้วก็พูดไป็นแม่เป็นหมอหน่ว่าจะบวชตลอดชีวิตหลุงพ่อชาท่านก็จะพูดว่าอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นนะ ให้มาบวช ด, ดูก่อนแต่หลายคนก็บอกว่าไม่สึกแน่นอนบวชไปได้สามสี่วันพอผัวมาวิงวอนขอให้สึกกลับไปอยู่บ้านใจอ่อนเลยนะแม่ชีใจอ่อนมาขอสึกกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกไว้าแล้วว่าเนี่ยอยไปอยเพิ่งไปพูดเป็นมันเป็นเหมาะ ตอนที่มาวัดเนี่ยมันก็มาด้วยอารมณ์สารพัดเช่นความเศร้าความโกรธความน้อยเนื้อต่ําใจแต่ว่าพอผัวนี่มาพูดดีๆเข้าใจก็อ่อนพอใจอ่อนเนี่ยไอความคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวมันก็มาแล้วความรู้สึกเห็นใจเขาเห็นใจสามีเห็นใจลูกมันก็มาแล้ว พอมามก็ปรุงแต่งแล้วนะปรุงแต่งเป็นความคิดว่าเรากลับไปดีกว่านะนกรณีเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็จะพูดเนี่ยถ้าอย่ก็พูดก็จะพูดท้วงไปอยู่เสมอเนี่ยไอความคิดอย่าไปเชื่อมันมากนะหลายรูปนะพระหลายรูปก็เหมือนกันนะพอมาบวชนี่ก็ตั้งใจนะว่าจะบวชตลอดชีวิตบ้าง จะบวชจนบรรลุธรรมนะแต่ว่าพอมาเจอความยากลำบากนะมาเจออุปสรรคในการปฏิบัตนะิมันไม่ราบรื่นมันมีนิวรรบกวนมากหรือว่าเพียงแต่ชีวิตความเป็นพระไม่สะดกสบายเหมือนเมื่อก่อนนะก็เกิดความรู้สึกท้อแท้เกิดความรู้สึก อทนไม่ไหวนะบางคนก็บางรูปบวชทั้งสามเดือนก็ขอสึกแล้วหรือบางรูปก็บวชไปทักปีสองปีสามปีก็ขอสึกแล้วไอตอนที่มาบวชเนี่ยมาบวช ด, ด้วยอารมณ์หนึ่งและอารมณ์นั้นก็ปรุงแต่งความคิดมาว่าโอ้บวชนี่ดีแน่ก็ถึงกับตั้งปณิธานว่าจะไม่สึกจะบวชตลอดชีวิตนะี แต่พออยู่ไปอยู่ไปอารมณ์จะเป็นปิติก็ดีมันหายไปความคิดมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีอารมณ์ใหม่เข้ามาแทนที่ความเบื่อความท้อแท้นะหรือว่าความโหยหาอะไรความสะดวกสบายความสุขในสมัยคารวานะ<ม>พู่งก็คือโลภโทสะโมหะนี่แหละมันก็ลุมเร้า หรือมันก็เข้ามาเลียงหน้าเข้ามาพอเข้ามาคลองใจแั้ก็ปรุงแต่งเหตุผลที่สวยงามให้เราหลงเชื่อแม้แต่เวลาเราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะมันก็จะมีความคิดต่างๆออกมาที่ทำให้เราไม่อยากปฏิบัติอยากทาอย่างอื่นมากกว่า เช่นขณะที่เดินจงกรมก็เห็นใบไม้ร่วงเห็นใบไม้เกลืออล่อนพื้นทั้งนี้ตั้งใจว่าเออจะเดินจงกรมสักชั่วโมงหนึ่งแต่พอเหลือเห็นใบไม้อยู่บนพื้นรู้สึกว่ามันเกะ ก, กะความคิดมันก็จะออกมาเลยนะว่าเราไปจับไม้กวาดมากกว่าใบาไม้ดีกว่า ที่จริงดูเมืนเป็นความคิดที่ดีนะเป็นการทำประโยชน์ให้กับวัดแต่มันอาจจะออกมาจากกิเลสก็ได้กิเลสที่ไม่อยากปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วมันเบือ่อแนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยจะเบือ่อจะรู้สึกเบื่อได้ง่ายนะพอปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งและเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสมันก็จะหาเรื่องให้ออกจากความเบื่อนั้นมันจะคิดโน่นคิดนี่ เช่นคิดหางานทำเพื่อให้เราเนี่ยออกจากการปฏิบัติงั้นถ้าเราหลงเชื่อกิเลสหลงเชื่อความคิดของมันหรือเหตุผลของมันล้วก็ออกจากทางจงกรมแล้วก็ไปหยิบไม้กวาดมากกว่าแล้วพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะใช่ว่าพอกว่าเสร็จก็ใช่ว่าจะกลับไปสู่ทางจงกรมนเดี๋ยวก็หาหาโน่นหานี่ทำต่อ ซักผ้าบางกวาดพื้นบางแล้วสุดท้ายก็เผลอไปคุยกับผู้คนแล้วกิเลสมก็ค่อยดึงเราไปจากการปฏิบัติจากสิ่งที่ดีออกไปสู่สิ่งที่มันแย่เรื่อยๆเดิมทีก็ดึงเราจากการเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ชวนไปทางานพอทางานสักพักก็พันธุ์มก็ชวนไปคุยละ คลุกคลีกันลนะกิเลสนี่มันฉลาดนะมันสามารถจะปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเหตุผลนะที่ทำให้เราหลงได้ง่ายในพระไตรปิฎกจะเรียกไอตัวกิเลสเนี่ยนะว่าเป็นมารชนิดหนึ่งนะพระไตรปิฎกนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกิเลสมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารเยอะเลยนะที่มาล่อมาหลอกให้ พระเถระพระเถรีภิกษุภิกษุณีเนี่ยเลิกการปฏิบัติแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านี่ก็โดนมารเนี่ยมาล่อลวงบอกว่าท่านอย่าบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรไปทำไมนะบุญกุศลท่านก็มีมากมายแล้วนะบางทีก็ชวนนะให้ไปกลับไปคองราชกลับไปไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ เพื่อได้ทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้มากมายมันจะมีเหตุผลมันจะมะีมีความคิดต่างๆมาลอ่อหลอกนะอันที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมารที่อยู่ภายนอกหรอกแต่มันเป็นมารที่อยู่ภายในเรียกิกเลสสมานที่จะมา ล, อมา ล, อมาลอ่อมาหลอกให้คลายความเพียรมันไม่ใช่แค่การ ปรุงแต่งสรรหาความคิดนะที่จะทําให้เราละเลิกการทําความดีแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีแทนบางครั้งเนี่ยไอความคิดมันก็ออกมาในลักษณะอื่นด้วยเช่นออกมาในลักษณะของการด่วนสรุปด่วนตัดสินคนที่ด่วนสรุปด่วนตัดสินเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้เป็นเพราะไปเชื่อความคิดเร็วเกินไป และการเชื่อความคิดเร็วเกินไปมันก็ทำให้อาจจะสร้างปัญหากับคนอื่นได้มีหมอคนหนึ่งเขาเล่ายฟังว่าเขาเองเนี่ยนะก็อยู่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลของรัฐนะทุกเช้านี่ก็จะต้องอตัวคนไข้นอก แล้วคนไข้นอกของโรงพยาบาลมันก็เยอะมากเขามีความตั้งใจอยู่อย่างนึงคือว่าเขาจะตรวจคนไข้ให้หมดนะไม่ว่าคนไข้จะเยอะเท่าไหร่ก็จะยังไม่ไปกินข้าวเที่ยงจนกว่าจะตรวจให้หมดเพราะว่าถ้าตรวจไม่หมดตอนเช้าเราไปต่อตอนบ่ายชาวบ้านหลายคนจะลําบากเพราะว่ามาจากหมู่บ้านไกลๆหารถยากแลตอนบ่ายทั้งทั้ หมอนี่ก็นึกถึงชาวบ้านเพราะนั้นก็จะทุ่มเทกับการตรวจคนไข้นอกไม่ว่ามีเท่าไหร่จะตรวจให้หมดหิวอะหิวข้าวกลางวันเพิงแ้วก็ก็จะยังไม่พักวันนั้นเนี่ยคนไข้ยเยอะมากตรวจจนถึงบ่ายโมงจึงจะเสร็จนะตรวจเสร็จนี่ก็จะไปกินข้าวเลยนะเพราะว่าหิว ออกจากห้องตรวจก็ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งรอตรวจอยู่แกเพึ่งมาเพึ่งมาถึงหมอเห็นนี่ก็ฉุนขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามีคนไข้ประเภทนี้เยอะเลยนะประเภทว่าไม่มาตามเวลาตรวจนะเวลาตรวจคือตอนเช้าดันมาบ่ายไม่รู้จักเวล่ำเวลา ก็เลยต่อว่าคนชาวบ้านคนนี้ว่าทำไมมาถึงป่า น, นี้เวลาตรวจมันก็มีอยู่แล้ว9ก้าโมงถึงเที่ยงมาสายป่า น, นี้เนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยชาวบ้านก็คนนั้นก็บอกขอโทษขอโพยนะแล้วก็บอกว่ า, วาคุณหมอบ้านผมอยู่ไกลนะ ออกมาแต่เช้าเลยนะออกมาแต่เช้ามืดเลยเนี่ยเพิ่งมาถึงเนี่ยข้าวเช้าผมยังไม่ได้กินเลยมพอหมอพอมอฟังนี่ก็สะอึกเลยนะเพอรู้สึกตัวเองพลาดไปแล้วนะไปด่วนสรุปว่ า, าชาวบ้านคนนี้นี่ไม่ไม่ใส่ใจนะเอาความสะดวกสบายของตัวเองเป็นเกณฑ์มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงเขาตั้งใจมาเขาตั้งใจมากเลยนะเขามาแต่เช้ามืด ตัวเองแค่ไม่ได้กินข้าวกลางวันแต่เขาไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไม่ได้ปล่อยปากแล้วเลยไม่ได้ทําตาม่ใจของตัวเองอย่างที่หมอคิดหมอก็เลยได้คิดเลยนะว่านี่ยเป็นเพราะเราเราไปว่าเขาแล้ว ท, ทั้งที่เรายังไม่ได้คุยกับเขาเลยไม่ได้สอบถามเหตุผลเท่าไหร่นี่เป็นเพราะเราไปเชื่อความคิดนะไปด่วนสรุปซะก่อนอคนเรานี่นะ มันก็ธรรมดานะพอเกิดอะไรเห็นอะไรขึ้นมาเราก็คิดล่วงหน้าไปละหรือสรุปไปละแต่ว่าถ้าเราไม่หลงเชื่อความคิดไม่หลงเชื่อข้อสรุปที่มีในหัวเราก็จะถามเขาก่อนนะถามชาวบ้านก่อนว่าทําไมถึงเพิ่งมาป่านนี้และเมื่อรู้ความจริงก็จะพบว่าเออเราเราด่วนสรุปไปมอยคนนึงก็เล่าคล้ายๆกันนะว่า นก็เป็นเจ้าของไข้เป็นเด็กนะเด็กผู้ชายยังเล็กอยู่เลยนะพ่อพามาหมอก็บอกกับพ่อนะว่าช่วงเช้าเนี่ยหมอมาตรวจคนไข้เนี่ยให้พ่อเนี่ยอยู่ด้วยนะเพราะว่าบางทีคุยกับเด็กก็อาจจะคุยไม่รู้เรื่องก็ได้ถามพ่อหรือว่าจะแนะนาอะไรบางอย่าง ให้เด็กเนี่ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจก็ให้พ่อฟังแล้วก็นำไปทําตามพ่อก็รับปากก็เป็นอย่างนี้อยู่ๆแล้วสามสี่วันได้แล้วเชาวันหนึ่งหมอก็มาปรากฏว่าพ่อหายนะหมอก็ไม่พอใจนะเพราะว่าลูกของตัวเองแท้ๆนี่ทำไมไม่มาดูแล หมอก็มีเวลาน้อยม า, มาได้เป็นแค่ช่วงเช้าเท่านั้นว่ารุ่งขึ้นมาตรวจครานี่เจอพ่อแล้วหมอก็ตอบว่าพ่อแล้ว่าทำไมเมื่อวานนี้เนี่ยไม่อยู่นะลูกเนี่ ย, ยอาการก็ยังหนักอยู่นะทำไมไม่ดูยูยูดูแลเฝ้าลูกนะไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบเลยนะเนี่ย ผู้พ่อนี่ก็ขอโทษเลยนะบอกว่าข้าวที่ผมเอามาเนี่ยจากหมู่บ้านเนี่ยมันหมดแล้วไม่มีข้าวกินก็เดี๋ยวจะไปกินข้าววัดใกล้ๆโรงพยาบาลกินข้าววัดก็ต้องรอพระฉันเสร็จก่อนถึงจะได้กินข้าวข้าวก้นบาสกินเสร็จก็ต้องช่วยทำความสะอาดล้างจาน ก็เลยทำให้มาสายพอมาก็บอกว่าหมอก็ตรวจลูกไปเรียบร้อยแ ล, แล้วต้องขอโทษด้วยหมอได้ฟังนี้ก็ก็รู้สึกว่าเสียใจนะที่ไปตำหนิคนชาวบ้านนะเพราะว่านี้เขาก็น่าเห็นใจมากนะชาวบ้านนี่ก็ยากจนจะมาจะมาเยี่ยมจะมาดูแลคนไข้นี่เงินไม่พอนะ บางทีต้องเอาข้าวมาเอาเอาอาหารมาทําหมดแล้วก็ต้องไปพึ่งวัดอันนี้ก็เป็นบทเรียนของของหมอคนนี้เหมือนกันนะว่าอย่าด่วนสรุปนะไม่ว่าเราจะคิดยังไงก็ตามเนี่ยนะก่อนหนึ่งก็ต้องสอบถามหาข้อเท็จจริงหาความจริงจนอันนี้คนเราเนี่ย ย, ยิ่งคิดเก่งคิดเร็วเท่าไหร่เนี่ย ก็จะหลงเชื่อความคิดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักทักท้วงความคิดบ้างอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดมันอยากทำโน่นมันอยากทํานี่มันมีเหตุผลต่างๆมากมายก็ดูไปก่อนหรือว่าเห็นใครทําอะไรก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปมันมีแม้มันจะมีความคิดอยู่ในหัวแล้วว่าเขาเป็นอย่างโน้นก็เป็นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อถ้าคนด่วนสรุปว่าคุณที่เชื่อความคิดง่าย ต้องสอบถามก่อนในกาลามาสูตรเนี่ยนะกาลามาสูตรนี่มันเป็นข้อปฏิบัติสิประการที่ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินเสียงเล่าลือนะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งบอกอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้กับความเห็นของตัวอย่าเชื่อเพราะความคิดตรองเหตุผลนะตกกะ เราเห็นรูปลักษณะอาการแบบนี้เราก็สรุปเลยนะว่าเนี่ยพ่อไม่รับผิดชอบหรือว่าคนคนไขคนนี้นี่ไม่เอาใจใส่นะมาเช้าไม่มาดันมาบ่ายอันนี้รูปลักษณะอาการทำให้เราสรุปแบบนั้นแต่เราก็อย่าพึ่งไปเชื่อความขัดแย้งระหว่างเพื่อนความขัดแย้งระหว่างครอบครัวมันเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนหนึ่งก็เพราะหลงเชื่อความคิดของตัว จากสิ่งที่ได้เห็นจากสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ดวนสรุปล่ะสิ่งที่ช่วยทําให้เราไม่หลงเชื่อความคิดได้ง่ายแล้วก็รู้จักทักท้วงความคิดก็คือสตินะสติเนี่ยมันทําให้เราเห็นความคิดได้ไวรู้ทันความคิดได้ไวเวลามีความคิดเกิดขึ้นถ้าไม่มีสตินะมันมันไปสรุปมันไปเชื่อความคิดเลยนะ แล้วเราก็กลายเป็นท่ายของความคิดได้ง่ายคนเรานี่ควรจะเป็นนายความคิดนะไม่ใช่เป็นท่ายความคิดมันก็แปลกนะทีแรกเนี่ยเราเป็นคนความคิดมันเกิดจากการตั้งใจหรือเจตนาของเราปรุงแต่งขึ้นมาเราปรุงแต่งความคิดเหมือนกับเมนกเราหุงอาหารเนี่ยนะอาหารก็เกิดจากการปรุงของเรา ความค่มันเกิดจากเจตนาหรือการปรุงของเราแต่พอความคิดมันเกิดขึ้นแล้วนะมันกลับไปครอบงำกำหนดกำกับเราที่แรกเราสร้างความคิดสุดแต่ต่อมาความคิดนี้มากำหนดแล้วก็มาบัญชากายวาจาของเรามันก็เหมือนกับทางกันนะเวลาตอนที่ตัดทางเนี่ย เราเป็นคนกาหนดว่าทางจะไปทางไหนจะไปเหนือไปใต้จะไปซ้ายไปขวาแต่พอสร้างทางเสร็จแล้วนะเรามักจะปล่อยให้ทางเนี่ยมันมากำหนดเราคือเราต้องเดินตามทางที่เขามีหรือทางที่เราสร้างขึ้นมายิ่งไม่รู้ตัวก็ยิ่งเดินตามทางนั้นที่แรกเราสร้างทางแต่ต่อมาทางนั่นแหละก็จะมาเป็นนายเรา ความคิดก็เช่นเดียวกันนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคือว่าทีแรกปรุงความคิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปให้ความคิดนี้มาเป็นนายของตัวถ้าคิดดีก็แล้วไปแต่ถ้าคิดไม่ดีก็เกิดปัญหาขึ้นมาต้องมีสตินะต้องมีสติรู้ทันความคิดสติมันทำให้เห็นความคิดถ้าไม่มีสตินะั้นมีความคิดเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าเป็นเป็นันคิด ความคิดเป็นของฉันมันมีตัวกูของกลขึ้นมาครอบงำความคิดของฉันฉันคิดนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ฉันคิดไม่ใช่ความคิดเป็นของฉันนะถ้ามีสติก็จะเห็นว่าความคิดก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะความคิดมันออกมาจากใจนะแต่ว่ามันก็คนละอันกันนะเมื่อความกลัวเกิดขึ้นในใจนะมันราสายใจไปที่เกิดแต่ว่ามันก็เป็นอันคนละอันกันความกลัวก็อันหนึ่งใจก็เป็นอันหนึ่ง สติเนี่ยทำให้เห็นนะว่าความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในหัวแล้วสติก็จะไตรตรองจะจะช่วยในจะใช้ปัญญาไตรตรองว่าไอ้ความคิดนี้มันดีไหมมันถูกไหมนะคิดที่จะไปที่จะศึกเพื่อไปฆ่าชู้ฆ่าเมียเนี่ยมันถูกไหมถ้า ม, มีสตินะ้มันมีการตั้งคำถามแบบนี้เลยมันไม่มีการทักท้วง มันเชื่ออย่างเดียวเลยนะแล้วยิ่งไปยึดมั่นถือมันในความคิดใดความคิดหนึ่งแล้วนี่ก็อันตรายนละมีความคิดแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็ยึดมั่นแบบเป็นอุปาทานเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มีคนหนึ่งนี่แกเป็นคนที่รักสนามหญ้ามากนะสนามหญ้าที่แกมาปลูกหน้าบ้านนี่ ต้องเป็นสนามหญ้าต้องเป็นหญ้าอย่างดีเลยแล้วแกก็ดูแลใจใสมากใส่ต้องปุ๋ยบางทีก็ต้องใช้ยากําจัดศัตรูพืชด้วยรักมาก่วงมากเพราะมันรู้สึกมันก็เป็นหน้าตาของเขาเลยแล้ววันหนึ่งเขาเพบว่ามันมีตุนอยู่ตุนนี่มันมาสร้างรังอยู่ใต้ใต้สนามหญ้าแล้วมันทําให้เวลามันทํารังเนี่ยเป็นอุโมงค์เนี่ยนะมันก็สนามหญ้าก็ มันก็ไม่ราบเรียบแล้วมันเป็นร่องเป็นรอยปนขึ้นมาจากพื้นเขาก็พยายามหาทางที่จะไล่กำจัดไอ้ตุ่นเนี่ยทั้งมีหาอาหารมา ล, ล่อเพื่อที่จะให้มันติด ก, กับดักบางทีก็พยายามยิงมันแต่ก็ไม่สำเร็จทักทีตุนมันก็ฉลาดยิงยิงนามันเขาก็ยิงโมโห นะเพราะว่าสนามหญ้าเขาแย่ไปเรื่อยๆนะมันไม่สวยอ่ะมันเป็นมันเป็นรอยปูดปวนขึ้นมาสุดท้ายนี่เขาทำยังไงเขาต้องการกําจัดมันให้มันเด็ดขาดสิ้นเชิงก็เลยเอาน้ำมันน้ามันเนี่ยนะฉีดเข้าไปในในในรังนะในอุมโมงค์ของตุนเนี่ยนะแล้วก็จุดไฟเผากลาวว่าจะให้ตาย การทั้งทั้งหลังเลยปรากว่าตุนก็ตายนะแต่ว่าไฟที่มันไหม้นะโอ้มันก็ไหม้จนกระทั่งสนามหญ้าเขาก็ยับเยินไปด้วยนะแทนที่จะทําเพื่อรักษาสนามหญ้ า, าไว้กับกลายเป็นว่าทําลายสนามหญ้าด้วยตัวเองตุนเนี่ยมันยังไม่ทําให้สนามหญ้าของเขานี้แย่เท่าไหร่นะ แต่พอคิดจะกำจัดตุ่นขึ้นมานี่เราก็ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดเหล่านี้ว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้จะไม่ยอมแพ้มันเด็ดขาดก็กลายเป็นว่าทำลายสนามหญ้าด้วยมือของตัวเองอันนี้เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในในความคิดของตัวนะว่าต้องเอาชนะมันให้ได้มันก็มือนคนที่ถูกหนูรบ ก, กวนนะในในห้องในห้อง ในห้องสมุดนะมีหนังสือมีที่ในห้องในที่ทำงานนี่มันมีหนูมากวนมันมากัดเอกสารมากมายกัดหนังสือพยายามจับยังไงก็จับไม่ได้ใช้กรงกับดักใช้กาวดักหนูก็ไม่ได้ผลนะสุดท้ายก็วันนึงก็ไปไปเจอไล่มันก็ไปเจอเห็นมันซุกอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในซอก ทำยังไงเผามันซะเลยนะเพราะว่ามันมันไปไหนแล้วไม่ได้แล้วมันตันอยู่ในซอกนั่นแหะจะปล่อยไว้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เคยจับมันได้เลยแต่ตอนนี้มันเสร็จแล้วมันจนตรอกอยู่ในซอกเผามันเลยนะเอากระดาษนี่แหละเผาบอกกัว่าไม่ใช่แค่หนูตายนะไอ้ไฟนี่มันก็ลามไปจนกระทั่งเผาอเอกสารเผาหนังสือประกุมไฟไม่อยู่ กลาเป็ว่าหนังสือที่ลักหรือว่าอเอกสารต่างๆที่หวงแหนไม่อยากให้หนูมามากัดมากินนี่มันก็พอถูกไฟไหม้ไปด้วยในเพราะวาความยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่จะเอาชนะหนูให้ได้แล้วก็ลืมตัวเลยนะคิดแต่จะเอาชนะหนูอย่างเดียวจะลืมตัวไปว่าอสิ่งที่ทําเนี่ยไยที่จะใช้กาจัดหนูนี่มันมันสามารถจะทําลาย หรือเผาเอกสารอาจจะเผาบ้านทั้งหลังได้เลยพอมีความยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนี่มันก็ลืมตัวแล้วสติไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้เราตรหนักไว้เสมอนะว่าความคิดเนี่ยถ้ามันเป็นค่ารับใช้ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เรือกว่าเ ป, เป็นบ่าวที่ดีแต่ถ้ามันเป็นนายเราเมื่อไหร่นะก็เกิดปัญหามันมีคําพูดว่าบ่าวที่ดีกับนายที่เลวเงินเนี่ยนนะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวความคิดก็เช่นเดียวกันนะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเราต้องใช้ความคิดในการทํากิจการงานต่างๆแม้กระทั่งเรามาปฏิบัติก็ต้องอาศัยความคิดเราต้องใช้ความคิดในการไตรตรองว่าเราปฏิบัติถูกไหม ใช้ความคิดในการพิจารณาเวลาฟังคําบรรยายเพื่อจะเอาไปใช้ในการปฏิบัติอันนี้เราเราใช้ความคิดแต่ถ้าปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานะเราก็อาจจะเลิกปฏิบัติได้ง่ายเพราะความคิดมันก็ออกมาว่าเนี่ยตอนนี้เพิ่งปฏิบัติเลยเรายัางหนุ่มยังสาวอยู่เอาไว้แก่ก่อนค่อยไปปฏิบัติก็ได้เพราะว่าตอนนี้ปฏิบัติไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไร หลายคนก็เลิกปฏิบัติไปมีเหตุผลนะว่าค่อยปฏิบัติตอนแก่ก็แล้วกันหรือว่าโอกาสที่สะดวกค่อยมาปฏิบัติก็แล้วกันอันนี้ความคิดมันมันหลอกเรานะเพื่อให้เป็นปลายตาอำนาจของกินเลยเราก็จะไปเชื่อมันแล้วก็ทักทวงมันบ้างเอาละช้ก็เพียงเท่านี้อกราบพระ